เราเคารพนับถือเลื่มใสเป็นศีลเป็นธรรมก็เป็นบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเราแต่โดยมากมันไม่เป็นอย่างนั้นพอยกอาจารย์องค์นี้ขึ้นมาแล้วกับไปเหยียบอาจารย์องค์นั้นมันไม่มันดูแล้วมันไม่ถูกก็คือโดยมากกิเลสนะมันชอบเปรียบเทียบกันคือชอบเหยียบคนอื่นนะอันนี้มันเป็นมาตั้งแต่ดึกดำบรรณนะสมัยนั้นก็เหมือนกันแต่นี้คน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 กรุงราชสัข์พวกเราเป็นอัคราสาวกด้วยเป็นที่ยอมรับของพุทธบริษัททั่วหัวและแหงกลุ่มนึ่งบอกว่าเอยพระเทวทัตเนี่ยท่านก็เป็นพระของพระเจ้าแผ่นดินของเราเป็นพระของพระเจ้าไอซาสตรโรมาจากราชสำนักแล้วก็ท่านเนี่ยถึงภาษาริบตไม่ค่อยได้อยู่ไป ไปทางอื่นแต่เทวธาตเนี่ยอยู่กับบ้านของพวกเราตลอดอยู่กับเมืองของพวกเราตลอดแต่กิจยิ่อยู่ท่านไม่ใช่กรุงคนกรุงราชคฤท่านมาจากเมืองวิเทหะกรุงกบิลพัทวิเทหะมาอยู่กับพวกเรานมนานพวกเราน่าจะถวายท่านผ้าผืนนี้ผลในสุดก็เลยเอา้าลงมติกันลงเสียงซาวเสียงกันลักษณะนั้น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 ให้กับพระเทวทัตนะอพอพระเทวทัตได้ได้ผ้าผืนนั้นมาแล้วก็ชอบอวดนะเพราะกิมีกิเลสเนีอยมีกิเลสชอบอวดอ่พอได้ผ้าผืนนั้นมาแล้วก็นั่นหอ ม, นนะมไปให้คนดูเลยเนี่ยนะขาชนะมาแล้วเนี่ยอได้ผ้าราคาแสนหมอมพอหอมผ้าเดินผ่านไปที่ไหน ไอ้พวกหมูเทวทัตทางไล่เขาก็ซาทุซาทุน่ะเออไอ้พวกไม่ใช่กลุ่มเทวทัตก็ตาขมิง้งใส่อเอยเออใช้ผ้าไม่คุ้มค่าผ้าปืนนี่น่าจะสมควรแก่พระอัครสาวกอันนี้ไปให้เทวทัตหม่มโอ้ยไม่เห็นด้วยฮะเออแต่จะทํำยังไงได้แต่นี้ก็พระสงฆ์ อ, อะไรก็ไปกราบพูพรพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นธรรมนะท่านเอง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 ช้างมามันก็แสดงความเคารพเพราะว่ามันก็เข้าใจว่าเป็นพระปฏิเจกใช่ไหอตัวไหนมันก็กราบพอกราบตัวไหนองค์ตัวสุดท้ายมาตัวเนี้ยยเนี่ตัวสุดท้ายมาตัวงามันสวยมันงามนะเอยปลุกปับเอาธนูที่ซ่อนไว้ในในห่ ม, ล, มล่มผ้าตัวเองเหยิงเลืเอ้อยพอยิงเสร็จแล้วก็ม้วนผ้าจีวรเก็บเปิดแหนบไปทางอื่นซะก่อน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 มันทำไมมันเป็นอย่างนี้ว่าช้างเราทำไมตายมันบ่อยเหลือเกินเนี่ยมันคงจะมีอะไรน่านแต่เราก็ไม่ได้สงสัยอย่างอื่นเราสงสัยไอ้อตัวนี่แหละตัวอคล้องผ้าหมผ้าพระประเจกเน่ะคุมหัวไปอยู่ไอ้คุมอยู่นั่นน่ะมันเป็นผ้าประเจกจริงหรือเปล่านะเ น, นี่นี่อันนี้ก็คือผู้เป็นหัวหน้านะถ้าเป็นลูกน้องไม่ได้คิดได้อ่านนะไปก็เห็งกาบแล้วก็แล้วไปแต่หัวหน้าเนี่ย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 แต่ช้างที่เป็นหัวหน้าเนี่ยงางามได้งาสวยได้อ่าโหในสุดคนนั้นแ่ะเดินไปเดินตามหลังไปเดินห่างๆตามหลังไปออพอเห็นท่านนายคำบงธนูเนี่ยทับพรานเนี่ยกองลูกศอนได้จะปล่อยลูกศอช้าเนี่ยปีเลยเหลบลูกสอนได้ก็กไปขยุ่มเลยไปตบเปล่าไงแต่พอตบขึ้นมาแล้วโอ เออถ้าเราฆ่ามันก็เราขาดความเคารพในพระประเจกพุทธเจ้าเพราะว่ามันนในผ้า น, นี่มันคล้องผ้ามันคุมผ้าผ้ากาสาวพัดเป็นผ้าพระประเจกพุทธเจ้าถ้าเราฆ่าเนี่ยก็เหมือนกับเราไม่เคารพธงชัยเอ่อธงธงชัยคือเป็นผ้าของพระประเจกพุทธเจ้าคือธงชัยคือผ้าของพระรหันผูดง่ายๆผ้าของพระราหันเราจะไปฆ่าคน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 โลกโหโมกณนะอะไรมากมายนักหนาจะไปดูถูกเย็ดยามอะไรใครมากจนเกินไปมีอะไรพูดดีทำดีพูดดีดดดคิดดีนั่นละอยู่ด้วยกันถึกจะมากจะน้อยก็ล่มเย็นเป็นสุขทั่วนหน้ากันเออวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสำหรับพระลูกพระหลานศรัทธาญาติโยมออตอนนี้ไปรับพรณัฐนีนะ